ภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปแต่จะไม่บอกเลยมัน28ตรงไหนไล่ไล่ 28, ครบบ้างเอาถ้าพูดแบบนักเรียนนักเรียนเรียกว่านักจำทั้งหลายเนี่ยนะแต่ก็ดีนะไม่ใช่ตำหนิแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าแยกแยะอะไรไม่เป็นเนี่ยจะจำได้หมดเลย28ทันทีไล่เรยพัทวียาโปเตโชวายโยแต่ถ้าพูดแบบนักพิจารณาเนี่ยเขาจะมองโต้เนี่ยแค่8รูปเขาจะไม่มอง28แปดรูป มองเห็นหน้าเนี่ยนะทั้งใบหน้าเนี่ยทั้งยี่ิบแปรูปเลยหรือไม่ครบถ้ามองแบบคนแยกแยะจริงๆเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เลยเห็นผมก็กี่รูปอ่านะถ้านับแบบสมุดฐานก็มองเป็นสี่สิบสี่รูปแต่ถ้านับแล้วไม่นับซ้ำละ่ะเนี่ยนะนับแล้วไม่นับซ้ําก็ลดปริมาณลงมาเหลือสิบกว่ารูปเองเนี่ยนะถ้ามีการแยกแยะวิเคราะห์แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะอันนั้นแหละจะละสกายทิฐิได้คือความสําคัญว่าสมมตินะเอาอย่าง เห็นนายเขียวอย่างเงี้ยนายเขียวเนี่ยผมใช่ไหมเป็นนายเขียวผมที่ประชุมด้วยรูปเหล่านี้หรือนายเขียวเล็บหรือฟันหรือหนังหรือเนื้อหรือเอ็นหรือกระดูกหรือม้ามตับไตไส้ปอดเป็นต้นหรือหรือนายเขียวพ้นจากสิ่งเหล่านี้เหนะหมท่านคำว่านายเขียวหรือที่เรียกว่าตนเป็นต้นเนี่ยเป็นโวหารที่ที่เอาไว้เรียกกันแต่ว่าปุตุชนทั้งหลายไม่ได้ทํายาตะปริญญาไม่แยกแยะแยกแยะไม่ได้ เมื่อแยกแยะไม่ได้จึงสําคัญว่าเป็นเป็นอะไรเป็นตนเนี่ยนะเป็นเป็นผู้อื่นเป็นเราเป็นผู้อื่นทีนี้ต่อไปอีกถ้าไม่วิเคราะห์ว่าสิ่งเราเนี่ยสมุทฐานสี่นะเช่นถ้ารูปสมุทฐานสี่แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ทุกส่วนสมุทฐานสี่หมดเลยก็จะวิเคราะห์ว่าอ้าวผมเนี่ยส่วนที่สมุทฐานสี่หมายถึงที่อยู่ในรากผมนะที่โผล่ออกมาข้างนอกทั้งหมดที่ดูสละสลวยทั้งหลายแหละมีสมุทฐานเดียว อุตุเป็นสมุตฐานแต่อุตุนั้นก็ยังจอยไปอีกใช่ไหมกรรมปัจจัยอุตุจิตตปัจจัยอุตุอุตุปัจจยอุตุหรืออาหารปัจจัยอุตุเนะี่ยก็แบ่งไปอีกในที่เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นน่ะวิเคราะห์แบบนี้แล้วถ้าเป็นส่วนกรรมมาชรูปอย่างเดียวนะกรรมตัวไหนเป็นชนะ ก, กรรมวิเคราะห์อา้าวผมของมนุษย์ก็เป็นกุศลกรรมใช่ไหมเป็นชนะ ก, กรรมนําเกิดอุปธ ร, รมภกกรรมก็ทําให้ดีไป ถ้าอุปปีและ ก, กรรมกรรมเหล่านั้นก็มาเบียดเบียนใช่แล้วร่วงได้ไหมเสียหายได้ไหมอันนั้นก็ถูกอะไรอุปคาตกรรมเนี่ยมาตัดในตัดกรรมมาชรูปส่วนนั้นส่วนนั้นเสียหายไปเสียหายไปเนี่ยนะก็จะเริ่มวิเคราะห์ไปแล้วทีนี้ผมไปต้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมอะไรบ้างนะเช่นกายเนี่ยเพราะผมเนี่ยมีกายยะสาธาอยู่ด้วยกายยะปสาธาเนี่ยจะมีผล ทำให้เกิดกายวิญญาณภาษะทําให้เกิดกายทวารวิถีกายทวารวิถีเป็นอุปนิสัยแห่งมโนทวารวิถีในจักรครูทว่ากายทวารวิถีเป็นมโนกรรมมโนทวารวิถีที่รับต่อจากกายภาษาท่อันนั้นเป็นอ่า น, นะท่านนิ่งๆเฉยๆเป็นมโนกรรมพูดเป็นวจีกรรมถ้าพฤติกรรมกายกรรม กรรมเหล่านี้ก็มาแบ่งอีกว่าบางอย่างที่จะทำบางอย่างเป็นอุปชาวเวทนียกรรมบางอย่างเป็นอัปราประยะเวทนิยกรรมสรุปเป็นอนุญาแยกได้เลยว่าพิจารณาผมแยกอดีตได้สาวไปหาปัจจัยที่เป็นไปแก่ผมในอดีตจะละความสงสัยในอดีตพิจารณาผมเนี่ยเป็นที่ตั้งอะไรต่อไปในอนาคตต่อไปจะละความสงสัยในอนาคตแล้วก็จะละความสงสัยใน ปัจจุบันด้วยเพราะการกําหนดรู้ปัจจัยการพิจารณาสาวปัจจัยทั้งหลายจะละความสงสัยในการสามมัการรอบรู้ปัจจัยหรือรู้สมุทัยศาสตร์นั่นแหละละวิจิกิจชาได้เนีย่ยนะที่เหลือเอ้ารู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติยังไงจึงจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไดะนะ้ก็ตามเห็นผมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะโดยว่าโดยย่อๆก็คือโดยตีรณปริญญากับปหานะปริญญา ตัวปริญญาที่เป็นปัญญาเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นธรรมวิจยะสามโพชงเจริญธรรมะวิจยะสัมโพชงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคฆอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละให้ตัวปัญญาที่วิจัยเนี่ยตั้งอุปนิสัยก่อนนะตั้งอุปนิสัยเพื่อบรลุอริยสัตว์ทีนี้ถ้าแทงตลอดอริยสัตว์แล้วเห็นอริยสัตว์นั่นแหละถามว่าเห็นอริยสัตว์เนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเห็นจริง บอกเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงเรียกว่าเห็นอริยสัจจริงเพราะเห็นอริยสัจแล้วต้องเป็นพระอริยะแต่ของเรามาถ้าอย่างกำลังเจริญอย่างนี้เรียกว่ากลมสัจจานุโลมมิกยานเป็นการพิจารณาเพื่ออนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัจไม่ใช่เห็นอริยสัจโดยโดยยานะแต่เป็นการพิจารณาอนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจเนี่ยนะฉันถ้าบรรลุอริยสัจ โดยข้อปฏิบัติตามมรรคสัตว์เนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้แหละจึงจะละศีละพัตะปรามาตเพราะอะไรเพราะผู้ที่จะละสีและพัตะปรามาตคือผู้ที่ปฏิบัติกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรจเจริญทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งอันนั้นแหละจะเป็นการตรัสรู้อริยสัจมัน้นขณะที่เห็นอริยสัจอย่างเนี้จึงจะละสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตะปรามาตได้ ทำไมบางคนเนี่ยกำหนดได้แค่มหาพูดกำหนดยิ่งกว่านั้นไม่ได้ถามว่ากำหนดมหาพูดเนี่ยกำหนดแค่ไหนจึงจะเรียกว่าวกำหนดมหาพูดเราใส่ใจสัญญามนสิการจริงหรือเปล่าว่าทั้งหมดคือมหาพูดโลกทวารตาทั้งหมดเนี่ยเบื้องหลังของการเห็นทั้งหมดคือมหาพูดสิ่งที่เราคิดถึงนนั่นก็คือมหาพูดสิ่งที่เราได้ยินอย่างเสียงที่เรากาลังได้ยินนก็ได้ยินเสียงมหาพูด ถ้าอย่างภายนอกเสียงฝนตกนะก็คืออาโปาธาตุแต่ว่าในอาโปาธาตุเว้นาธาตุอื่นไม่ได้ก็มีปฐวีาธาตุปฐวีกระทบปฐวีทำให้เกิดเสียงก็เสียงก็คือมหาพูดกระทบมหาพูดนั่นแหละก็เกิดเกิดเสียงออกมาแต่เราสําคัญว่าเป็นมหาพูดไหมไม่เป็นถ้าการกําหนดโดยใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดในในการกําหนดทั้งหลายแหละ ทีนี้ถ้าใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดอ่อนรูปประขันจะอ่อนนะเพราะรูปประขันเนี่ยนะถามว่าเพราะเหตุใดเน า, เ, าเหตุใดหนาที่ทำให้เรียกว่าขันขันเหตุปัจจัยอะไรทำให้เรียกว่าขันพระองค์ก็บอกว่ามหาพูตรูปเป็นเหตุแห่งการบัญญัติรูปประขันภาษะเวทน า, าภาษะเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาขัน เวทนาขันและสังขารขันส่วนนามรูปเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณขันนั้นถ้าใสาใจโดยความเป็นมหาพูดอ่อนไอสิ่งที่อ่อนตามมาคืออุปาทายรูปจะอ่อนไปด้วยอุปาทายรูปอ่อนเวทนาขันสัญญาขันเป็นต้นจดจะอ่อนตามมาหมดเลย <S <S เพราะฉะนั้นผู้ที่กำหนดโดยความเป็นมหาพูตรูปได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดามีความสามารถสูงมาก เมื่อไรที่คิดถึงแม้แต่พรห ม, มโลกก็คือมหาพูดนั่นแหละชาติชั้นวันนะที่ใดก็ตามคิดถึงอเมริกาก็คิดถึงมหาพูดนั่นแหละฉะนนการทำปริญญาในขันห้าเนี่ยนะที่เรียกว่ากำหนดนามรูปเนี่ยถามว่าเมื่อไรจึงจะบริบูรณ์เมื่อไรจึงจะกำหนดนามรูปที่เรียกว่ายานที่หนึ่งเพียงพอก็ จนกว่าจะทุกเรื่องคือมหาพูดนะถ้ามองในแง่รูปธรรมอ่ะในแง่รูปธรรมเนี่ยนะไล่ตั้งแต่พรมรูปประพรมลงมาเนี่ยมหาพูดทั้งนั้นแหละสัญญามนาุษการเรายอมรับอย่างนั้นว่าเป็นมหาพูดจริงหรือเปล่าเหมือนกับเรายอมรับว่านี่นี่นายกนี่นายขอนี่นางงอเป็นต้นเนี่ยนะจนกว่าจะยอมรับแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมมหาเมื่อวานนี้ก็คุยกันบอกมหาพูดจะไปดูมหาพูดแล้วนะเห่นนะ ก็เราไปเที่ยวไปอะไรไดูมหาพูดอนเะ่ะสีก็สีของมหาพูดไปดูน้าดูดินดูลมดูไฟมันก็ไปดูอยู่เท่านี้แหละก็ไปดูแต่มหาพูดมหาพูดไปดูมหาพูดเป็นต้นเนี่ยนะไม่รู้มหาพูดไปเทมหาพูดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะคือคือพื้นฐานเบื้องลึกจริงๆเป็นอย่างนั้นมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งอะไรรู ป, ปขันเป็นที่ตั้งแห่งรู ป, ปขันทีนี้เวทนาขันเนี่ยนะ ที่เป็นสุขเวทนาเพราะอะไรพ่อมหาพูดอย่างเยี่ยมเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาชั้นดีสุขเวทนาถ้ามหาพูดชั้นเลวอ่ะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้ามหาพูดกานกลางเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาท่านมหาพูดตรการตาเลยนะสมนับนะถ้ามหาพูดอุ้ยสถิติกว่างูเห่ามาพุ่นเตี้ยนแถวนี้นะสมมติเราว่าไง เโทรมนัไว้กรี๊ดทันทีเลยแถวเนี้ยเลยนะถ้าเป็นธรรมดาก็เฉยเฉยอ่ะนะพวกนี้จะลักษณะเนี่ยมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแล้วแต่คุณภาพของมหาพูดทีนี้ถ้าสัญญาขันละ่ะสัญญาขันนั้นอนะ่ะท่านจะแบ่งเป็นน่ะการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญามันจะตกเข้าตัวไหนนั่นแหละเป็นสัญญาทั้งนั้นนะนันะง การมสัญญาพยาบาทสัญญาแล้วก็วิหิงสาสัญญาอันนี้เป็นสัญญาที่มีโทษส่วนสัญญาที่เป็นกุศลก็ตรงกันข้ามดัง น, นั้นในขณะที่เจริญส ม, มถาวิปัสนาไม่ใช่ไม่มีสัญญาประกอบมีก็เป็นสัญญาขันวันยังข้ามนะเพราะฉะนั้นแม้แต่กุศลเนี่ยขณะที่กุศลเกิดก็มีสัญญาขันเป็นต้นประกอบอยู่ร่วมอยู่นั่นแหละ นันผู้ที่ที่ใส่ใจหรือทาปริญญาจริงๆอ่ะจึงเป็นคนที่มองรอบด้านในเรื่องของชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเอามาคิดได้หน่อยเดียวอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็ไม่ไม่พอแต่การพ้นทุกเพราะฉะนั้นทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยจึงเป็นวิสุท ธ, ธิข้อที่สการกำหนดนามรูปเนี่ยเป็นอยู่ข้อที่สซึ่งต่อจากจิตตวิสุท ธ, ธิกับศีลวิสุท ธ, ธิ เพาบางคนเนี่ยใส่ใจได้หน่อยเดียวมันไปเรื่องอื่นหมดและ้ะไม่ค่อยเป็นไปตามคําสอนเนี่ยนะนะแม้แต่พิจารณาโดยนามรูปก็อ่อนโดยปัจจัยก็อ่อนการที่จะตามเห็นว่าเออนี่ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเห็นไหมสมมุติว่าแยกแยะสมมุติจะเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาได้น้อยเนะี่ยเราจะไม่เห็นว่าอาหารปฏิกูลเลยเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อไหร่ก็อร่อยเนะีเมื่อไหร่ก็ดีหมดเนี่ยนะก็นะจะใส่ใจแบบนั้นนะ่ยนะ พันการการทำปริญญาเนี่ยท่านบอกว่าก็เว้นแต่หลับอยู่แล้ว<ช>ล่ะเว้นแต่หลับเผลอเมื่อไหร่ก็ก็เป็นไปกับอกุศลท่านคำสอ น, นในพระไตรปิฎกมีลหลายสูตรที่ที่สอนให้ให้ตอกย้ำให้คิดอย่าประมาทในการเจริญศิกษาเหล่านี้นะเช่นความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยอายุเราจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยนะสองพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเจริญไปแค่ไหน สามบ้านเมืองนี่จะเป็นยังไงเพราะเมื่อวา น, ถถ น, วว น, เ, นเนี่ยโหรถถังเนี่ยวิ่งเป็นขบวนเลยเนี่ยนะรถถังวิ่งเป็นขบวนเลยนะท่านก็เห็นว่าเอ้าเนี่ยถ้าบ้านเมืองไม่ปลอดภัยน ะ, จะเจริญสัมถะวิปัสนาได้ไหมไม่ไม่ง่ายเนี่ยนะข้าวยากมากแพงก็เจริญยากนะเพราะในอนาคตะภัยสูตรเนี่ยนะเรียกออยนนนะว่าภัยในอนาคตสูตรเนี่ยตั้งแต่อิปถมทุติยะตติยะ อนาคตภายสูตรเนี่ยจะให้เล็งถึงภายในอนาคตเอาไว้จะได้รีบภาคเพียรในการพิจารณาเนี่ยนะรีบภาคเพียรในการพิจารณาเพราะใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะพระองค์จึงตรัสสูตรที่ย้ำไว้เสมอว่าอัชเชวะกิจมาตพังโกนชัญญามรณงสุเวเนี่ยนะบอกว่าใครเล่าความเพียรควรทำวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเนี่ยนะ เพราะความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายใครจะรู้ว่าตอนนี้นะเนื้อที่มันอยู่ในมันมันโตไม่เลิกเลยอ่ะกำลังงอกนะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะกับบางคนเนี่ยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเกิดงอกขึ้นงอกขึ้น ท, ที่ไหนดีที่ไหนก็ไม่ดีสักอย่างนะที่ไหนก็ไม่ดีสักอย่าง แต่ว่าไอ้ของที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมันจะมีเนี่ยนะนั้นคนที่ที่เรียกว่าเหมือนตัวเองจะอยู่นานที่สุดเนี่ยคนนั้นไปนานเนี่ยนะก็อย่างที่สัมนวนก็ว่าพวกขับมอเตอร์ไซค์เก่งๆเนี่ยโดยมากไม่ค่อยอยู่แล้วทุกวันเนี่ยะเพรานั้นการทําปริญญาเนี่ยเป็นเป็นกิจที่ควรบาเพ็ญเนี่ยอย่างที่เสียงดังๆเนี่ยนะถ้าจะทําปริญญาจริงๆอ่ะก็คือมหาพูดเสียดสีมหาพูดนันะ นึกถึงก็บอกว่าแท่สัญญาในธรรมนี้ท่านยังไม่ได้จะ ก, กล่าวไปใยถึงการเห็นธรรมะนี้เล่าว่างั้นใ น, น, ใ, นในมาคันธยะเนี่ยนะในมาคันธยะสูตรเนี่ยนะกล่าวว่อย่างนั้นเพราะฉนนั้ถ้าเราสัญญามณสิกา ร, ร, า ร, รโดยความเป็นมหาพูดอ่อนเหตุเกิดของมหาพูดจะคิดได้แค่ไหนเอาเหตุเกิดของมหาพูดก็จะอ่อนถ้าเหตุเกิดของมหาพูดพิจารณาอย่างนี้อ่อน แล้วคิดหรือจะอยากดับมหาพูดจริงเนี่ยนะต้องการดับจริงไหมมหาพูดเนี่ยนะถ้าหากว่าเหตุเกิดความดับรู้อ่อนนะอัสาธาเราก็ยิ่งก็ไม่เห็นเสียหายอะไรถ้าฉันจะกินอาหารอร่อยๆจะมีอะไรเนี่ยนะพ่ออุตสาทํามาหากินมาก็เพื่อจะกินอาหารอร่อยๆแบบนี้จะมีโทษตรงไหนอา้าวก็เริ่มแล้วนะอา้ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็แก้ไปตามนั้นนั่นแหละนะเว่ากินมากท้องอืดอา้าวหายามาแก้ นะ ก, ก็อยู่อย่างั้นแหละก็ตกเป็นอยู่อย่างนั้นนะสัมวนว่าเป็นผู้ที่เฝ้ามหาพูดระยะยาวนะก็แช่อยู่ในมหาพูดแต่ข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ชอบในโลกนะตามหลักพุทธศาสนาคือการคลายมหาพูดทานเนี่ยก็คลายมหาพูดออกไปนะรักษาศีลจริงๆก็คือรักษาอย่าไปยุ่งกับมหาพูดให้มากนะเช่อนอย่าไปฆ่านะเดี๋ยวมหาพูดมันจะดีดเอา นะมหาพูดมันแรงไงไหมนั่นจะ่าไปสมมติถ้าไปฆ่าคนนี้เอามหาพูดอื่นๆจะรุมอ่ะเอานะนี่ไม่รู้ว่าถ้าไปเด็ดมะม่วงนะที่มีมดแดงเยอะๆ เ, เราเด็ดมะม่วงมดแดงมันก็กัดอย่างงี้ยอันนการเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเราไปฆ่าใครนะคนอื่นเขายอมไหมละ่ะมหาพูดอื่นๆก็ไม่ยอมถ้าเราทําลายมหาพูดนี้มหาพูดที่เป็นญาติเขาไม่ยอมเขาจะเอาเข้าคุกให้ได้นะมหาพูดอื่นไม่ยอมอันนี้ภายเว้ก่อนใช่ไหม แล้วจะคนที่ฆ่าสัตว์ผลของการฆ่าสัตว์มหาพูดที่เป็นเตโชธาต์อย่างเดียวเห็นไหมกายภาษาธาตรมณสิการแต่เตโชธาต์ก็บอกว่าในนรกเนี่ยน ะ, าะจากโควิญญาณโสตะเขาก็เป็นอุเบคาทั้งนั้นแหละแต่ว่าตั้งอยู่ในอัปโพหาริกมีเหมือนไม่มีเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนกับว่าถ้าเป็นเอาแผ่นลิ้นของเราเนี่ยนะหยดน้ำผึ้งไปเ็หยดเอ่อหหยดก่อน แล้วหยดที่เจ็ดนี่เอาน้ําทองแดงหยดเข้าไปเนี่ยนะถามว่ารถไหนจะปรากฏชัดน้ําทองแดงที่มันลังละลายคว้างเนี่ยนะทะลุลิ้นเลยเงี้ยนะอันนั้นจะชัดมากเพราะฉะนั้นพวกอุเบคาในอบายเนี่ยอับตั้งอยู่ในอโพหาริกในน้ําปลานี่มีน้ําจืดอยู่ในนั้นไหมจริงๆแล้วมีเวลาชิมเมื่อไหร่ตักมาชิมสักช้อนหนึ่งน้ําปลานะเค็มอ่ะนะทั้งๆที่ในนั้นมีจืดแต่ไม่มนสิการนั้น อบายทั้งหลายเนี่ยนะก็คือมหาพูดแต่มันมหาพูดชั้นเลวอ่ะทีนี้ถ้าอากุศลมันให้ผลนะมหาพูดที่มีอยู่ในกายเรานะมันพร้อมที่จะเป็นอื่นได้หมดเลยมหาพูดทำกิจนะสมมุติลำไส้มันไม่เกิดไม่ขยับตัวอะไรเลยนะมันนิ่งหมดเลยนะปัทวีธาบมันกำเริบอ่ะมันฉันจะให้แกแข็งเอาอาหารก็แยกแล้วไงเขาบอกว่าอาโปธาบมันเดือดร้อนมันมันจะให้เน่าอย่างเดียวอ่ะอะไรเกิด โรคก็เกิดอีกตามมาไงถ้าเตโชธาตมันบอกว่าฉันจะให้แกร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้ต่อด้วยอะไรโรคกระเพาะเป็นต้นเนี่ยนะโรคกระเพาะคืออะไรก็คือโรคเตโชมันกำเริบนั่นแหละเ่้านะก็ว่าที่ถามว่าใคร ท, ที่ที่อยากจะศึกษาว่าเอ๊ยเปรตมันเป็นยังไงก็บอกศึกษาโรคกระเพาะเอาไว้นั่นนะเปรตทั้งหลายก็คือคนเป็นโรคกระเพาะไม่หายอ่านะถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยนะโรคกระเพาะทั้งหลายนั่นแหละคือ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเนี่ยคือกลุ่มเปรตเนี่ยก็คือลักษณะนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอีกพบหนึ่งเลยอ่ะพอดีของมาเป็นโรคกระเพาะก็เลยมาวิจัยได้เออมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันนี่เห็นไทีนี้ต่อไปว่าถ้าวายโอมันกำเริบอ่ะถ้าลำไส้มันขย่อนขึ้นอ่ะอาเจียนใช่ไหมถ้าวายโ อ, อวายโมันกาเริบรูดลาไส้ลงอย่างเดียวก็ถ่ายไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะ มันก็คือโอ้วาโยธามันเล่นปฐุมมหาพูดมันเล่นงานลำไส้อย่างเดียวนะเดือดร้อนหมดเลยแต่จริงๆลำไส้ก็คือมหาพูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่าการทําปริญญาอันนี้อ่อนรูปประคันนี่อ่อนมากการทําปริญญาในรูปประคันจะอ่อนออมหาพูดเหล่านี้ถามว่าเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะทุกโทมนัตไหมถ้าไม่ทําปริญญา ผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาต้องริกทำปิญญาเป็นต้นเนื่องเขาเห็นภัยเนี่ยนะอย่างสติปัญญานที่พระ อ, องค์ตรัสบอกเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งนั้นกายานุปัสสนาก็คือการเจริญมหาพูดการพิจารณามหาพูดนั่นเองเนี่ยนะแต่ถามว่าไม่เจริญนะมีอะไรมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะสําหรับเราเลย เขาบอถ้าทุกอย่างเป็นกรร ม, มนิมิตอารมณ์ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะเพราะทุกอย่างคืออะไรคือสะพานพบใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นการทําปริญญาเนี่ยจึงจําเป็นมากและอย่างหนึ่งที่เราจะต้องภาคเพียรเอ่เอามาใคร่ครวนให้บ่อยให้มากเนะี่ยเนื่องจากว่าเวลามันจํากัดเนี่ยนะมีตั้งหลายเรื่องอะนะถึงเราจะลืมใช่ไหมแต่สิ่งนั้นไม่ค่อยลืมเราเนี่ยนะ อะไรบ้างอา่ะความแก่ก็ไม่ลืมเราอ่ะนะความป่วยก็ไม่ค่อยลืมด้วยและความตายเนี่ยลืมไหมถึงจะทําตัวลืมตายแต่ความตายก็ก็ไม่ลืมผู้การเล่าให้ฟังว่าเอาเพื่อนไปอีกคนหนึ่งแล้วเหมือน น, อะนะก็ได้สังเวกวัตถุอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะได้ฟังครั้งหนึ่งก็เพียรอีกพักหนึ่งอ่ะนะเพราะอะไรนะสังเวกวัตถุเป็นเหตุใกล้แห่งความเพียรใช่ไหมะนะนั้นถ้าได้สังเวกวัต เขาบอกว่าเมื่อกี้สนทนากับอาจารย์สันติมาว่าถ้าใครอธิจิตตสิกขาไม่ดีแต่อยากเจริญวิปัสสนาเนี่ยทำยังไงบอกง่ายมากคุณทำอะไรก็ได้คิดให้มันเป็นสังเวกาวัตถุได้และคุณทำปริญญาได้แต่ต้องมองให้เป็นสังเวกาวัตถุนะแต่ถ้าไม่สังเวกาวัตถุนะพระก็ช่วยไม่ได้เห็นถ้าไม่ได้อธิจิตตสิกขามานะคิดให้เป็นสังเวกวัตถุให้ได้ นะทีนี้สังเวกวาถุกคืออะไรก็เรื่องที่เรื่องที่เขาไม่ให้อา่าถ้าพูดแบบชาวโลกเลยนะเรื่องที่เขาไม่ให้คิดกันนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องคิดเช่นเออเนี่ยนะไปไม่แน่นะขับรถไปครั้งนี้มันจะตายเอาก็ได้ชีวิตใครจะไปรู้เรื่องนี้เขาห้ามพูดใช่ไหมแต่ถ้าประมาร้รองเพลงไม่เป็นไรอันนี้ชาวบ้านชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเอาเรื่องนี้มาคิดให้บ่อยๆว่าการไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้กลับก็ได้สําหรับเรา เนี่ยนะเพราะว่ารถซ้ายรถขวาเนี่ยปาดให้เราตายได้หมดไหมได้รถข้างหน้าข้างหลังล่ะใครจะรู้ว่ามัจจุราชเนี่ยวิ่งตามหน้าตามหลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่นั่นน่ะนะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ได้เจริญตอนนั้นได้แต่ถ้าไม่คิดอย่างนั้นเลยก็โอ้ยขับรถไปหาที่เงียบๆเถอะไปแล้วมันก็ไม่เงียบอีกนั่นแหละไม่ว่าจักจันรมันร้องอีกดิ่งเรดเรรก็ไปรําคาญเสียงพวกนั้นอีกเพราะมันไม่ได้เงียบสักที นะหาที่ไปหาที่มาจากป่าหนึ่งสู่ป่าหนึ่งจากที่1สู่ที่1บางทีเนี่ยพูดถึงในแง่พระเนี่ยนะพระพิสูจที่แบกแบกแบกกดสะพายบาดส่วนหนึ่งนะไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่ว่าหาที่อย่างเดียวเห็นไหมหาที่ทําอะไรท่านก็จะได้สร้างวัดไงจะได้สรีส ป, ปายะนะมันก็สร้างวัดกว่าจะเสร็จวัดนี่ก็เกือบหมดชีวิตแล้วเนี่ยนะหมดแต่อีกชาหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ภาวนาเท่าไรหร่ ที่นั่งนิ่งๆมนได้นั่งทําอะไรนั่งคิดเ ก, ก็จะกุฏิหลังนี่มันจะเสร็จได้ยังไงก็ก็เป็นกลายเป็นลักษณะนั้นแทนเนนะ้นความเข้าใจในคําสอนเนี่ยนะเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่สําคัญมากพระอาหารย์เนี่ยคือผู้ที่นับสิ่งเหล่านี้เสร็จถ้าเราไม่นับสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นมหาภูตรูปเช่นให้รู้เหตุเกิดความดับอาาัาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปเราก็ห่างเหลือเกินที่จะสิ้นทุกเนี่ยนะ อธิจิตเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยนะที่เขาชื่อว่าชื่อว่าสมถะคือต้องต้องการสงบนิวรถ้าของคารวา ท, ทั้งหลายเนี่ยทำยังไงจึงจะสงบนิวร์เนี่ยนะโดยทั่วๆไปเนี่ยพระองค์ก็สอนให้เจริญอนุสติทั้งหลายถามว่าในขณะที่เช่นง่ายๆเลยก็สวดมนต์เป็นต้นเนี่ยสวดมนต์แปลด้วยอะไรด้วยเนี่ยขณะนั้นราคะกำเริบไหมโทสะกำเริบไหมโมหะกาเริบไหม ขณะนั้นอกุศลทั้งหลายก็ไม่กำเริบสงบนิวอลอันนั้นก็เป็นการอบรมอธิจิตติกขาแต่ถ้าใครถึงเรียกว่าไปเจริญได้ไปตรึกได้ออกเสียงไม่ออกเสียงที่ไหนเหมือนกันหมดได้อย่างนั้นก็ถือว่าดีอันนั้นก็เป็นการอบรมอธิจิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่นะเขาก็คือ ก, กลุ่มอนุสติทั้งหลายนี่นะผู้ทานุสติเป็นต้นเนี่ยนะใครที่เจริญอุปได้ถึงอุปจาระสมาธิคนนั้นเป็นพระอริยะ มันก็เจริญได้เพราะว่ า, เ, าเป็นปรมาภิเป็นอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยนะไม่ใช่อยู่กับสิ่งเดียวเนี่ยนะสมมติถ้าเราเอาท่องพุทธคุณปัญญาปัญญาคุณปัญญาคุณจะอยู่ได้สักกี่นี่ก็ต้องไปวิจัยว่าปัญญาไปรู้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องรอบรู้ค่อนข้างมากเพราะในขณะนั้นเนี่ยจิตไม่สามารถเป็นอัปปนาได้แต่ก็สงบมาก คืออย่าล um ืมว่าสมถะทั้งหลายเนี่ยเน้นสงบนิวรณ์ถามว่าเมื่อจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วเพื่ออะไรเพื่อน้อมไปพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะเพื่อน้อมไปมานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อจะมนสิการทุกขสัตว์โดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามานสิการทุกขสัตว์โดยไม่เที่ยงหมายถึงละสมุทัยอะไรเนี่ยนะเนี่ยนะ เมื่อมนัิการทุกข์กระสับโดยความเป็นของไม่เที่ยงละมันะเมื่อมนัิการทุกข์กระสับนั่นแหละโดยความเป็นทุกข์ละตันหาเมื่อมนัสการทุกข์กระสับโดยความเป็นอนัตตาละทิฐิเนี่ยนะพ้นกล่าวทุกข์กระสับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นการตัดตันหาตัดสมูทัยในในขณะนั้นแต่ถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นเรียกว่าตะทางค่าประหารกับวิขมพนะประหาร มันสามารถที่จะอบรมเจริญได้ในหลายแบบหลายมุมถ้าเรามองในแง่ของพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงหลากหลายเนี่ยนะในในในพระสูตรต่างๆเนี่ยอย่างมัชชิมณนิกาย100กร้อยกว่าสูตรเนี่ยร้อยห้าสบสูตรพง์ก็จะแสะดงแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปมันแสดงว่าไม่ได้มีสูตรตายตัวสำหรับใครไว้จริงๆว่ามาถึงนะคุณจะต้องหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เนีย่ยนะะนั้น มันก็แล้วแต่อัธยาศาัยจริงๆเนีนะพันก็ถ้าถ้าจะแนะนําโดยส่วนตัวเลยนะไปหาสูตรที่เราแน่ใจว่าสูตรนี้แหละจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ทรงจําไว้ให้มากตรัสพระสูตรนั้นพิจารณาพระสูตรนั้นให้ไว้ให้มากเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะครับเปรียบเทียบแบบชาวโลกเลยนะยาทั้งทั้งทั้งที่ร้านขายยาทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์ของยาเพื่อหายโรคใช่ไหม ถามว่าจะต้องกินทั้งหมดนั่นหรือเปล่าไม่แน่นะกินแล้วอาโรคที่ยังไม่เกิดอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าต้องกินทั้งหมดขนาดนั้นนะนะการพิ่เจรณาพระธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันสําหรับผู้ที่ปัญญาระดับหนึ่งเพื่อความพ้นทุกข์นะให้หาสูตรใดสูตรหนึ่งหรือว่าพระไตรปิฎกเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นพิเศษอย่างอื่นก็อ่านประกอบไปอะไรไปอย่างเช่นถ้าใครจะศรัทธาสัตตัฐานสูตรก็เอาส voilà. ัตตัฐานสูตรนั่นแหละพิ่เจรณาเป็นหลักเอาไว้ หรือบางคนศรัทธาปฏิจจสมุปบาทก็คิดแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาไว้ให้มากหรือบางท่านพิจารณามหาพูทก็เอาเรื่องมหาพูทเนี่ยมามาพิจารณาให้มากในจุลนิเทศเนี่ยในอชิตามานวากกะปัญหาที่อธิบายถึงว่าพระอรหันต์ผู้มีธรรมะอ น, นับได้แล้วเนี่ยนะพระอรหันต์ก็คือนับว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนถึงว่านับว่า มหาพูทธรูปเนี่ยนะ เ, เหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาพูทธรูปบางท่านก็เหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะนิสระของอุปาทานขันท้าบางท่านก็ผสัสสะยตนาหกซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถ้าเทียบในแง่ของการเจริญก็เพียงพอที่จะพ้นทุกข์แต่บางคนนะมีอัธยาศัยปฏิสัมพิทาบอกคิดอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันไม่ไม่ซึ้งเ่าบองั้น นะถ้าตาอย่างเดียวนะถ้าฟังโอจกักขุธาตุรูปประคันะ น, นะจักขวายตนะทุกขสัตเป็นสลายยตนะในปฏิจจสมบาทเป็นจกักขุนซีอย่างนี้สิเขายัางช่วหน่อยเพมาะนกันมันได้เรียกว่ามันคิดมากได้ดีเพราะว่าถ้าเขาไม่ปรุงให้เสร็จมันคิดตามเขาไม่ได้เอาไปคิดเองก็คิดไม่ได้คิดสามคำก็หมดแล้วอย่างเงี้ย น, นั่นพวกนี้จะต้องเรียนมากศึกษา ม, มากจะได้คร่ครวนเอาไว้ให้มากๆก แต่อย่าลืมว่าของเราทั้งหลายให้รู้เถอะว่าไม่ใช่อุคติตันยูกันแล้วนะถ้าใครบรรลุนะก็นุโมทนาด้วยไม่ได้ดูหมิ่นหรอกแต่เล่าให้ฟังว่าถ้ามีนะบรรลุไปนานแล้วประกาศอริยสัจไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบแล้วนะสองวิปปัญจิตันยูก็ไม่ใช่เนี่ยนะเพราะคำพีจะเรียนจบเป็นเล่มๆไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยนะวิปัญจิไม่ใช่จะเป็นไปได้ก็ในยะในยะเรียนมากฟังมากท่องมากอ่านมากคบกัละยาณมิตร ดีไม่ดีก็เทศมากด้วยเนี่ยนะบางทีก็ไม่บรรลุถ้าบรรลุเป็นนัยยะถ้าไม่บรรลุเป็นปรททะปรมะเนี่ยนะโอ้แต่ชาติหน้านะเราจะต้องบรรลุเร็วกว่าเพื่อนนะใช่หมั้ยงเราก็ต้องมองระยะยาวไว้ก่อนนะโครงสร้างระยะยาวนะปลอบใจตัวเองหน้าดูเลยพรานอย่างท่าอหารบางรูปเนี่ยนะท่านเป็นเลิศ ในการพิจารณามาหาพูดอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างในพระสูตรในสังยุตตนิกายสลายยตนาวัคเนี่ยน ะ, ะที่มีพระพิสูตรรูปหนึ่งไปถามถึงข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพาธะหันเนี่ยพาธะหัน ร, รูปหนึ่งท่านก็บอกว่าพิจารณาเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูต ร, รูปสี่ท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะรู้แค่ส่วนเดียวอย่างเงี้ยบรรลุได้จริงหรือก็ไปถามพราธะหันอีกองคหนึ่ง พระอาจารย อ, องค well ์น <qu> <language> ั said, speech, reality, ้นก <playing> no ็บอกว่าเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวานิสรณะของอุปาทานขันท่าเออองแรกกับองค์ที่สองทำไมพูดไม่เหมือนกันก็ไปถามองค์ที่สามอีกองค์ที่สามท่านบอกว่าเออเนี่ยเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวานิสรณะของผัสสายะตนะหกไปถามองค์ที่สี่บอกองค์ที่สี่บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาโอ้ยงงไปใหญ่เลยจะเอายังไงกันแน่ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็เลยพูดถึงเรื่องไอ้ต้นทองกวาวเนี่ยนะ <Okay. S 1> พูดถึงต้นทองกวาวที่จริ ง, รงๆก็สิ่งเดียวกันแต่ว่ามองคนละด้านมองคนละแง่คนละมุมบางคนมองโดยสิ้นเชิงบางคนมองได้เป็นส่วนๆไปเนี่ยนะ ก, ก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองนั้นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่นับธรรมะเหล่านี้ได้หมดแล้วเมื่อท่านนับอย่างนี้เนี่ยนะนับก็คือเห็นอริยสัจได้ในในทุกอย่างเมื่อเห็นอริยสัจตรัตรสรู้เป็นพระาอารหันต์ได้อย่างนี้ ท่านเหล่านั้นก็ชื่อว่านับขันนับธาตุนับอายตนะหมดแล้วนับคติได้แล้วคติเนี่ยนับได้เลยใช่ไหมเหลือมนุษย์สติเป็นคติสุดท้ายนับอุบัติคือการการเกิดเนี่ยนะว่าท่านเกิดในขันเป็นชาติสุดท้ายหรือที่เรียกว่าปัจเจเวคณาญาณบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตินี้พบใหม่จะไม่มีนีพพุทเรียกว่าผู้ที่นับ ว, วัลนับในทุกษัตร้วนะนับวัตตะได้หมดแล้วเนเะพราะเพราะท่านเป็นผู้ที่ทำกิจแห่งอริยสัจเรียบร้อยแล้วมันก็สำหรับเนติปกรณ์ของอาทิตย์นี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็ว่าหมายอาทิตย์หน้า